ได้ขนสัตว์ได้ป่านได้ที่ใช้วัตถุเจือกันคำว่ากรอคือกรอเองต้องอบัตทุกอดในขณะที่กรอต้องอบัตปัจจิตีทุกๆขณะที่ม้วนเข้ามา